b o ๊กท7เจ็สิเจดเศเหตุผลบางประการสามเบื้องหาทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะวุ่นฟอร์ส ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะย i ยมอสลังก์ไม g ดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะยายสไปซ์เดนีกข์เพระดิฉัต้องสลังก์ไม่ไไมทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะดิก e ี้ดูอิเค็ดคิฉันต้องขับรถค่ะยายม ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะเอทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคำไมคม่ดื่มกแล้วค่ะทำไมคุณไม่ดื่มกไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ j ำ g d r i ณ k e r ด e n i ชาคะว่ารู้ดื่มดื่ไมดื่ไดื่ม่ดื่มดื่มดื่มดื่มดื k มดื่มดื่ม e ื่มดื่มดื่มดื่มดื่มดื่มดื่มด a ่มดื่มดื่มดื่มดื่มดืม่มดื่มดื่มดื่มดื่มดื่มดื่มดื i k ดื่มด่มดื่มดื่มดื่มดื่มดื่มดื่มด ทำไมคุณไม่ทานซุป for ดิฉันไม่ได้สั่งค่ะฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะฉันไม่ทานเนือ้อค่ะทำไมคุณไม่ทานเนื้อค่ะทำไมคุณไม่ทานเนื้อค่ะ ดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะฉันไ r v e g e เ a r i a n e r ดป็นมังวิรัค่ะฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะฉันไม่ทานเนื้